M.P.3 แผนที่ส3สให้กติธรรมหัวข้อว่าตายแล้วไม่สูนทางพอกพูนความดีถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายคิดว่าตายแล้วสูนจะไม่ทำคุณงามความดีเพราะเหตุว่าไม่มีผลกรรมตามสนองและตามต่อไปภายภาคหน้า พวกเราจะทำสิ่งไหนเราก็ทำตามอําเภอใจตามอัตถาใจตามที่อยากจะทำแต่ตามไม่จริงตายแล้วไม่สูญในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาด้วยพระองค์เองออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าถึงหกปีไปค้นคว้าศึกษาหาหนทางจนถึงวันเดือนหกเพนวันนั้น พระพุทธองค์ได้นั่งอยู่ที่คโครนต้นโพธิพุทธคยาจากนั้นพระองค์ก็ได้รรมสมาธิจิตใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งพระองค์รู้ได้ว่าตายแล้วไม่สูญเกิดยานทัศนะขึ้นมาว่าปุเพเนวาสานุจติยานระลึกชาติผลนหลังได้ถ้าหากว่าตายแล้วสูญจะระลึกชาติหุนหลังได้อย่างไร อย่างพวกเราเกิดมาวันนี้วันเดียวไม่มีเมื่อวานถ้าไม่มีเมื่อวานเราก็บอกว่าเราเกิดมาวันนี้วันเดียวแต่นี้เมื่อวานนี่ก็มีวันก่อนนั่นก็มีอาทิตย์ก่อนก็มีเดือนก่อนก็มีปีก่อนก็มีต้องมีชาติก่อนชาติหลายชาติเรียงลาดับมาเรื่อยๆเพราะนั้นพระพุทธองค์ได้พิจารณาไรตรตรองด้วยสติปัญญาของพระองค์แล้วพระองค์ ได้สั่งสอนพุทธบริษัทของพระองค์ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกชาตหน้ามีจริงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญให้สั่งสมให้เตรียมพร้อมให้สะสมคุณงามความดีให้สะสมบุญกุศลเอาไว้เพื่อเป็นสเสบียงเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเพราะตายแล้วไม่สูญถ้าตายแล้วสูญพวกเราไม่จาเป็น แต่นิตายแล้วไม่ศูนย์ในทางของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่เสาลุงปู่มั่นท่านไปค้นคว้าศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าแล้วต่างองค์ก็ต่างยอมรับว่าตายแล้วไม่ศูนย์ใครอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วศูญให้นั่งภาวนานั่งทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตัวที่ ไม่สูนนั้นคืออะไรตัวที่ไม่สูนั่นคือใจใจตัวนี้ล่ะจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่นานศรัทธาญาติโยมทุกคนพระสงฆ์ครูบาอาจารย์หมู่พระทุกองค์ที่ได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูนให้ปฏิบัติตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้ว พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองแต่ถ้าว่าพวกเรายังทำจิตใจไม่สงบให้สงบไม่ได้ก็ขอให้พวกเราศึกษาและฟังความคิดเห็นของครูบาอาจารย์ไปก่อนถ้าหาว่าพวกเราปฏิเสธว่าตายแล้วสูญพวกเราจะเหมือนกับมืดมิดปิดตาปิดหูปิดตาปิ ด, ป ด, ปดใจของตนเองจะไปในทางต่ำ เพราะนั้นกติธรรมหัวข้อนี้จึงให้กติธรรมว่าตายแล้วไม่สูนทางพอกพูนของความดีเพราะนั้นพวกเราว่าตายแล้วไม่สูญพวกเราจะต้องพอกพูนคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญในธรรมเพราะว่าพวกเรา ได้ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วพวกเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจเพราะนั้น MP3 แผ่นที่ส3นี้ก็ขอให้พวกเราฟังตั้งใจฟังให้จบแล้วก็ให้ไต่ตรองเหตุและผลพวกเราจะได้กติธรรมใน MP3 แผ่นนี้ขออำนาจคุณพระสี รัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองข อ, ง ข, อขอให้พวกเรามีแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการ